คนไทยเราเ น, นิยมทําบุญด้วยการใส่บาตรพระนะบางคนก็ทําเป็นประจําทุกวันบางคนก็นิยมถวายสังกทานแต่บางครั้งเนี่ยพอใ <c oughs> ส่บาตรหรือถวายสังกทานก็อาจจะเกิดความสึกสะดุดขึ้นมาเช่นอาจจะเห็นพระที่เป็นผู้รับบาตรหรือรับสังกทานไม่ค่อยสํารวมนะ <c oughs> เห็นแล้วก็ไม่สบายใจมีโยมคนหนึ่งก็ถามว่าเนี่ย ขณะที่ใส่บาตรอยู่ก็เห็นพระบางรูปที่กำลังรอบาตรรอใส่บาตรเนี่ยดูโทรศัพท์มือถือนะโยมก็ถามว่าอย่างนี้โยมจะได้บุญไหมผู้ถามนี่ก็รู้สึกว่าบุญที่ได้นี้น้อยลงเพราะว่าพระที่รับบิณฑบาตนะไม่ค่อยสำรวมจริงๆเนี่ย บุญที่เกิดจากการบำเพ็ญทานเนี่ยเช่นการใส่บาตรเนี่ยมันมีอยู่สองส่วนนะส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ตัวผู้รับว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือว่ามีความสํารวมมีอาจาระที่งดงามไหมหรือมีความประพฤติที่ดีงามหรือเปล่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยสำคัญไม่น้อยเหมือนกันนะ อยู่ที่การวางใจของผู้ให้หรือของผู้ใส่บาปบางครั้งเนี่ยผู้รับเนี่ยก็อาจจะไม่สำรวมนะหรือว่าอาจจะไม่ใช่เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างที่เราคาดหวังบุญในส่วนนี้ก็จะน้อยนะที่น้อยเนี่ยเป็นเพราะว่าอาหารที่เราถวายเนี่ย มันจะก่อประโยชน์น้อยไม่เหมือนพระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยอาหารที่เราถวายมันก็จะนำไปก่อให้เกิดประโยชน์ที่กว้างขวางเช่นเมื่อท่านได้อาหารแล้วเนี่ยท่านก็มีกำลังที่จะไปสอนเทศนาเผยแผ่ทรให้กับญาติโยมนะหรือว่า มีกำลังในการปฏิบัติธรรมอาหารที่โยมถวายมันก็เกิดประโยชน์ที่กว้างขวางขณะที่พระที่ท่านไม่สํารวมแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติดีไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติอาหารที่เราถวายมันก็อาจจะเกิดประโยชน์น้อยเมื่อเกิดประโยชน์น้อยบุญก็น้อยแต่ถ้าเกิดประโยชน์มากบุญก็มากนะให้เข้าใจตรงนี้ในส่วนผู้ที่ถวายเนี่ย อย่างที่อาจารยมาบอกนะบุญจะมากหรือน้อยเนี่ยก็อยู่ที่การวางใจของเจ้าตัวด้วยถ้าเจ้าตัวเนี่ยจิตใจหม่นหมองนะหรือว่ามีความวิตกกังวลว่าบุญที่ได้รับในวันนี้จะน้อยไปไหมเนี่ยแบบนี้นี่ก็บุญมันก็จะน้อยลงไปด้วยนะเพราะบุญตรงนี้เนี่ยมันหมายถึงความ สงบนะความเย็นใจหรือความสุขใจอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยบุญเป็นเชื่ อ, องความสุขสุขที่ว่านี่คือสุขใจคนไม่เข้าจใจว่าบุญเนี่ยหมายถึงโชคลาบนะบุญมากก็คือมีโชคมีลาบนะแต่เรามลืมมองไปว่าเนี่ยที่สําคัญเนี่ยบุญมันเป็นเรื่องของความรู้สึกในจิตใจ เวลาเราทำบุญถวายทานเนี่ยถ้าเราวังใจเป็นเนี่ยเราก็จะได้บุญมากมันมีธรรมหมวดหนึ่งนะชื่อว่าสัพพุริสทานคือการให้ทานอย่างสัตบุรุษนะหรือให้การให้ทานอย่างชาวพุทธเนี่ยก็มีสองข้อนะคือว่าก่อนให้จิตผ่องใสให้แล้วใจเบิกบาน ก่อนให้เนี่ยถ้าจิตผ่องใสนะได้บุญแล้วนะให้เสร็จนะจิตใจเบิกบานนี่ก็ได้บุญหนึ่งแต่ถ้าว่าตอนนั้นใจเนี่ยไปวิตกกังวลถึงลูกไปกังวลเรื่องงานยังมีความขุ่นมัวนที่ทะเลาะมีปากเสียงกับสามีภรรยาเมื่อเช้านะอย่างนี้เนี่ยแม้จะ ถวายทานให้กับพระอรหันต์นะบุญที่ตัวเองได้ก็น้อยนะเพราะว่าใจไม่ผ่องใสไม่เบิกบานถ้ามอเดียวกันนะถ้าเกิดว่าเกิดความครังแคงสงสยัยว่าวันนี้เราถวายสังกัาฐาใส่บาแล้วเนี่ยพระท่านไม่สำรวมเลยสงสัยบนวันนี้บุญเราจะได้น้อ ย, สสยนนเกิดความ เสียใจนะอันนี้ได้น้อยจริงๆเลยเพราะจิตไม่ผ่องใสใจไม่เบิกบานสุดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้เวลาใส่บาตหรือถวายสังฆทานผู้รับจะไม่สำรวมอยู่บ้างนะก็รักษาใจให้ดีอย่าไปหงุดหงิดอย่าไปรำคาญอย่าไปหมองมัวขุนมัวอย่าไปโกรธเพราะคืนทำอย่างนั้นเนี่ย ไม่ได้บุญแล้วล่ะหรือได้น้อยเพราะจิตไม่ผ่องใสใจไม่เบิกบาลทั้งก่อนให้แล้วก็หลังให้ผู้รับจะเป็นยังไงนะบางทีไม่สำคัญเท่ากับผู้ให้นะว่าจะรักษาใจหรือปฏิบัติตัวอย่างไรมีคราวหนึ่งนะมีโยมหนึ่งเนี่ยไปได้โอกาสนะถวายสังฆทานกับหลวงปู่บุตรดา ก็ดีใจมากเลยนะนึกในใจว่าวันนี้โชคดีจังเลยนะได้ถวายสังฆทานได้ทำบุญกับพระอรหันต์นะบุญวันนี้ฉันต้องได้มากๆเลยละนึกในใจนะพอ น, นึกเสร็จเนี่ยหลวงปู่ท่านก็มองแล้วก็บอกว่าเนี่ยผู้รับหมดกิเลสผู้ให้ต้องหมดกิเลสด้วยนะถึงจะได้บุญมากถ้คนไปคิดนะว่าถ้า ผู้รับหมดกิเลสเนี่ยฉันก็ได้บุญมากแล้วเื่องว่าไอ้ผู้ให้เนี่ยนะกิเลสยังหนาอยู่หรือเปล่าหรือว่ายังมีศีลมีธรรมไหมหรือว่ามีศีลมีธรรมแต่ว่าใจนะไม่ผ่องใสไม่เบิกบานไอ้อย่างนี้ก็ได้บุญน้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปอย่าไปมองเวลาพูดถึงเรื่องบุญเนี่ยจะไปมองที่ผู้รับอย่างเดียวต้องมองที่ตัวเราซึ่งเป็นผู้ให้ด้วยวางใจให้ดีแม้ว่าจะเจอผู้รับ ที่อาจจะไม่ค่อยสําสรวมเท่าไหร่นักนะแต่ว่าถ้าเราวางใจให้ดีจนกระทั่งจิตผ่องใสใจเบิกบานเนี่ยเราก็ได้บุญแล้วนะอย่าไปนึกถึงบุญแต่ในแง่ที่เป็นเรื่องโชคเรื่องลาภอย่างเดียวอีกแง่หนึ่งที่อยากจะให้มองกนะ็คือว่าภาบางรูปเนี่ยนะท่านเป็น้าที่เพิ่งบวชนะ กิ ร, ริยามารยาทอาจจะไม่งดงามเพราะว่ายัางขาดการฝึกฝนยังติดนิสัยคารวานะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีอาการที่ไม่สารวมอยู่บ้างนะแต่พระเหล่านี้ก็ควรจะได้รับการอุปธรรมจากญาติโยมนะเพื่อจะได้มีโอกาสนะเติบโตพัฒนาตนจะเป็นพระที่ดี สมัยที่จตมาบวชใหม่ๆนะตอนนั้นก็บวชที่วัดทองนพคุณนฝั่งทนก็อยู่ที่นั่นอยู่ที่กรุงเทพเนะี่ยประมาณทัสองสามทิตย์นะก่อนที่จะไปปฏิบัติที่วัดสนามไนนะซึ่งอยู่เมืองนนมีวันหนึ่งเนี่ยนะขณะที่จะบินทบายกลับวัดเนี่ยถนนหน้าวัดนี่นะรถเยอะมากเลยนะเพราะอยู่ของสารเนี่ย อาตมาข้ามถนนเนี่ยก็ต้องคอยดูจังหวะพอรถพอถนนว่างก็รีบจ้ำเลยนะรีบจ้ำข้ามถนนพอข้ามถนนเสร็จก็มีโยมคนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะอายุก็ไม่ไม่ได้มากไปกว่ า, วาตมาเท่าไหร่รอใส่บาตรอยู่อาตมา ก, ก็ไปรับบาตรโยมก็พูดขึ้นมาว่านะก่อนนี้ใส่บาตร บ, บอกว่าท่านเดินเร็วจังเลย ในสายตาของโยมก็คงเห็นว่าต่อมาไม่สารวมนะเพราะว่าเดินข้ามสนนนี่เร็วนะก็อาจจะจริงนะเพราะว่าตอนนั้นยังเพิ่งบวชได้แค่ไม่กี่วันหรือว่าไม่ถึงสองสามอาทิตย์นะแต่ว่าอาหารที่โยมถวายนี่มันก็มีส่วนช่วยทำให้ต่อมาได้อ่ครองเพศพระแล้วก็ได้สามารถจะเรียนรู้ สิ่งที่ควรปฏิบัติควรประพฤติที่อาตมาบวชได้นานจนถึงทุกวันนี้เนี่ยนะก็เพราะว่าความอุปธรรมของญาติโยมซึ่งบางครั้งเนี่ยในบางช่วงอาตมาจะไม่สํารวมนะโดยพราะตอนที่เป็นพระใหม่นะแต่ว่าการอุปธรรมของญาติโยมก็มีส่วนนะทําให้อยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ครูบาอาจารย์หลายท่านนะที่เป็นพระที่เรานับถือ ถือว่าเป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือบางทีก็นับถือยกย่องเป็นพระรหันเนี่ยตอนที่ท่านบวชใหม่ๆนี่ก็ที่ไม่สํารวมก็เยอะนะเพราะว่ายัางเป็นพระใหม่ยังติดนิสัยคารวะหรือว่ายัางขาดครูบาอาจารย์ที่เข้มงวดกวดขันต่างว่าญาติโยมเนี่ยเห็นท่านเหล่านั้นแล้วเนี่ยไม่สํารวมก็บอกเอ้ยฉันไม่ ฉันไม่สนใจแล้วนะไม่ใส่บาตรไม่อุปถัมม์นี่ท่านก็นจะไม่มีกําลังนะจนกระทั่งสามารถจะบวชได้จนแล้วก็ปฏิบัติจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ต้องยอมรับว่าในบรรดาพระที่เราเห็นเนี่ยบางทีก็มีพระที่ไม่เรียบร้อยเพราะว่าบวชใหม่ยังขาดการขัดเกลาแต่ถ้าเราเกล้าอุปถัมม์จากญาติโยมก็ มีโอกาสที่จะพัฒนาปรับปรุงตนจนกระทั่งได้เป็นพระที่มีอาจารรงดยามเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้อย่าเลือกแต่อุปธรรมพระที่เรียบร้อยหรือว่าสํารวมหรือว่าพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างเดียวเพราะท่านเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่หรือส่วนมากนี้ก็ล้วนแต่ผ่านการเป็นพระที่ไม่เรียบร้อยมาก่อ น, นโดยเฉพาะในตอนที่เป็นพระใหม่ให้เราก็ต้องให้ใส่ให้ความใส่ใจ กับพระกลุ่มนี้ด้วยนะแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นพระอระหันต์ไม่ใช่เป็นพระที่มีอาวุโสมากหรือมีพรรษามากคนไทยสมัยก่อนนี่ท่านก็แม้ว่าแม้จะเป็นพระที่ไม่เรียบร้อยก็อุปถัมภ์นะเพราะเชื่อว่าหรือหวังว่าถ้าได้รับกาอุปถัมภ์จากญาติโยมก็จะมีโอกาสได้รับการศึกษาได้รับการอบรมจนเป็นพระดีได้แต่ก็มีนะพระที่ไม่เรียบร้อยแม้กระทั่งพรรษามากแล้ว ทั้งข้างนอกและข้างในอันนี้ก็ต้องทำใจอย่างที่ธรมาว่ามานะคือว่าผู้รับจะเป็นอย่างไรก็ไม่สำคัญนะผู้ให้เนี่ยต้องวางใจให้เป็นนะจิตผ่องใสใจเบิกบานแล้วบุญก็จะเพิ่มผูนตามไปด้วย